สัพพะสรพทั้งในโลกนี้เนะ่ยมีพุทธะอยู่แล้วในตัวทุกคนวันทุกคนกําลังพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะแม้กระทาต้นไม้ต้นไมก้ก็มีพุทธะอยู่ข้างในธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่มแมลงตัวหนึ่งไม่มีตัวนหนึ่งยุงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งก็มีธาตแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในตัวเพราะว่าสัพพะสัพทั้งปวงเน่ะย่อดนะมีชีวิตรวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอกีภ e าวะในธาตแห่งความเป็นพุทธะนี้เป็นอกีภาวะอันเดียวกัน ที่เรายังเห็นแต่ทั้งคูว่าบางคุณงู้บางคุณฉลาดนั่นเป็นเพียมายาทั้งหลอกมาปิดบังเอาไว้อาจะดูกันแก่นแท้ภายในแล้วพุทธะก็คือเราเราก็คือพุทธะพุทธะไม่อื่นไปจากเราเราไม่อื่อยมจากพุทธะพุทธะอยู่ที่เราเราก็อยู่ที่พุทธะเป็นอย่างนี้เป็นเอกภาพหมด น, นี่เป็ว่ า, าสัตสัตธรรมบุญรทิกระสตรละเผยความลี้ลับสุดท้ายออกมาแสดงคติธรามอันนี้ออกมา ส่วนในมหาปรินิวาลสูตรน่ะมีข้อใหญ่ใจกวางคือสอนเอาวว้จิตนี้เป็นอมตะไม่เกิดไม่ดับไอ้ที่เกิดดับนั่นน่ะเป็นเพียงแต่อาการของจิตจิตแท้จิตโดนแท่นี่ประพัดประพัดสอนประพัดสอนในที่ว่านี่คือไม่เกิดไม่ดับเป็นจิตบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธ์ที่มีการเกิดการดับรับรู้อารมณ์ต่างๆน่ะเป็นจิตลวงเป็นอาการของจิตอาการจิตกระเตลจิตติเหมือนกันเหมือนกับธาตุน้ำกับขึ้นน้า ขื่อนน้ำก็ไม่ใช่าถาดน้ำถาดน้าก็ไม่เก็บครีน้าน้ามันขึ้นน้าจะมีขึ้นต้องมีถาดน้ําถ้าไม่มีถาด น, น้ําขึ้อนน้าก็ไม่ตราบหฉันใด้ความเ ด, ดับจะต้องตั้งอยู่เนลาฐานความไม่เกิดดับไอ้ความไม่เกิดดับก็คือจิตจิตนี้เรียกกันต่างๆเรียกกันว่าพุทธภ า, าวะบางเรียกว่าตถาคตคัพทะบ้างตถาคตคันใน่ะตถาคตคัพทะห้องพระตถาคตเรียกอย่างนี้เรียกว่านิพพามาจิตบ้าง ใช้คําว่า น, นี้พานกิจกิคือมีพานเลยทีเดียวเพราะตัวกินี่แหละคือมีพานที่บริสุทธิตัวนั้นแหละคือมีพานเป็นอย่างนั้นนี่ในมหาปริญญารณสูตริรห้าสมัยเดกนกอาจารย์จิ้งเจอหรือพี่เจียรได้ประมวลหลักธรรมที่ท่านศึกษามาแบ่งเป็นปหา้าสมัยแล้วท่านก็ตั้งมีกายเพียมทย้ายขึ้นนยุกตะทวงซุยต่อมาในร่วมร่วมยุค ก, กับท่านต้องมีอาจารย์องค์หนึ่งชื่ออาจารย์ไชเลี้ยง อาจารย์เชียงเลียงเชียงเลียงนี่ก็แปลว่าอาจารย์ที่มีความสงสัยสะอาดสงบอาจารย์เชียงเลียงเนี่ยอาจารย์เชียงเลียงนี่ได้ศึกษาคำทีพุทธาวตัาางสกัปมหาไปมูลสูตรที่แสดงว่ายุคแรกอัไรแล้วท่านก็ตั้งตั้งนิกายนิกายหนึ่งขึ้นมาให้ชื่อว่านิกายเทียนซิ้วเอกตามประเพณีกินหลวว่าเสียงโสนิกายเสียงโสเสียงซิ่วหรือเรียกชื่อนึงว่าขวายิ่งชุตามที่อพระสูตร อนิกายาเพียงท้ายได้อชื่อหนึ่งว่าป่าวาจุนตามชื่อของสูตรอีกเหมือนกันคือนิกายาสัพพัญธริกาแล้วก็นิกายอวตังสก่าทวตางเสียงสุสกิตก็เป็นอย่างนั้นสองนิกายาทั้งสองนิกายมีคติธรรมคล้ายๆกันคือสองว่าจิตที่แท้จริงไม่เกิดไม่ดับไอ้ที่เกิดดับน่ะเป็นอาการของจิตเป็นหรื่องวิญญาณกับจิตเป็นเหมือนกันวิญญาณในขันเกิดดับจิตพ้นขันจิตที่แท้น่ะเป็นเป็นผู้รู้ขันว่าขันไม่เกิดไม่ดับเป็น เป็นภาตุพุทธะเป็นมิตรานมือจิตแท่เนี่ยก็ติธรรมคล้ายๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะน่ะเป็นเป็นเอกภภาวะเพราะทุกคนมีจิตอมาตะด้วยกันทุกคนพวากันในแง่อมาตะและ้วทุกคนก็เป็นอมาตะหมดเพราะฉะนั้นเราคนทั้งโลกหรือสรตวสัตว์ในใจปูนจึงชื่อว่าประชุมอยู่ในภาวะอันเดียวกันคือในภาตุแห่งความเป็นพุทธะคือดวงจิตนี้คติธรรมอนี้คือก็ติปรชัชญาที่เรียวกว่ายูนิเวอร์แซลไมน ก, กิจสาบคนเก็จะทาหนึ่งกิจสาบคนทั้งสองนิกายมีรู้ตัวหรอกว่าที่สอแบบเนี้อาจารย์ในศาสนับคามหัวเราะกั๊กกิ๊กหอบกับชอบใจเข่ากับประกาศว่ารพีคามนีไม่รู้ตัวช่วยรับพิความพระโพธินาไม่รู้ตัวหรอในคำพิอุปนิสัตต์น่ะอธิบายแบบนี้ทั้งนะั้นในพระวจีตาพระพิษณะสู่เฉพาะอรชุนบอกอรชุนเราเนี่เป็นผู้รังสรรคโลกเรา ภาวะของเราเนี่ยเป็นทิษแฉกอนอยู่ทั่วโลกสรพพะสัตย้อมปลอดอยู่ในตัวของเราอัตมาเนี่ยเป็นอัตมันในสัพพสัตอาตมานี่ยเปอัตมันอัตมาสัพพิตนะเป็นอาตมันในสัพพสัตในบรรดาภูเขาอัตมาเป็นฮิมาลัยในบรรดาแม่น้ําอัตมาเป็นคงคาในบรรดาความร้อนอัตมาเป็นอัคนีในบรรดาวายุอัตมาเป็นพระทายในบรรดามนอัตมาเป็นอุ์ แล้วคนในบราชบรรดาฤาษีอาตมาเป็นยอดฤ mm. าษีเพราะฉะนั้นอรชุนไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยที่จะอยู่ได้โดยปราศจากอาตมาเนอันนี้น่ะเป็นหลักจิโอเซลไม้สองสัติ์ทจิตตาผลซึ่งไอ้จิตตาคลนี่จิตนี่ในศาสนาพราก็เป็นอาตมาสิตอนนี้เนี่ในมีการมหายานสองนี่กายนี้ก็คือไอ้จิตเดิมแท่นี่แหละไอ้จิตประไอ้จิตบริสุทธิ์ที่ไม่เกิดจับนิพพานในจิตนี่แหละเดยกใครอย่างนั้น เพียงแต่ว่าเป็นชื่อเสียงเรียงนามเม่อกหมายไปอธิบายนักกลง่เต็งเลยสองนิกายสองนิการนี้มีคติธรรมคัดค้านมีการมหายานณสองนิกายเดิมนะนิการวิญญาณปฏิเสธคติสองนิกายนี้ว่าจิตหน้าจิตเลอะไม่มีจิตไม่เกิดดับไม่เชื่อวิญญาณของนาคราชุนแล้วก็นิการวิทยานะว่าอันเป็นนิการมหายาณเหมือนกันก็คัดค้านสองนิกายนี้ตกลงมีในมืองจีนมีนิการมหายานสี่นิกายแล้วนิการที่รับมาจากอินเดียโดยตรงสองนิกาย แล้วก็มีการที่เกิดขึ้นในเมูลจีนอีกสองมีกายต่อมาในสมยัยราชวงศ์ถังต่อจากองค์ซุยองถังวงถังน่ะท่านทั้งหลายอ่านเรื่องซุยถังนั่มปักแล้วรู้จักลิซีบินมั้งลิซีบินเนี่ยเป็นพระเอกที่มีชื่อในในในเรื่องซุยถังอ่าภรณ์กษัตริย์ราชวงถังคือพระเจ้าอ่าถังเตาโจห่ อ, องเต๋นนะลิอวนแล้วก็ต่อมาออรสของพระองค์คือลิซีบินเนี่ยเดชองประชนพระเชษฐาเป็นกษัตริย์ พระเจ้าทั้งไทยจงมหาราชได้แผ่จักรวรรดิของจีนออกไปทางเหนือถึงไปบีเรียทางตะวันออกถึงเกาหลีทางตะวันตกตุดแดนมูลคอนสแตนติโนเปลิลของรูปตะวันออกทางใต้ตีได้หลังกาซุมาต ร, ราอินโดนีเซียปราบทั่สารพิศเลยเป็นสมัยที่จักรวรรดิจีนมีอนุภาพแผ่ครอบ ง, งําไปตั้งสองทวีคือยุโรปกับเอเชียยุคนี้แหละเป็นยุคที่มีนักปราบทางพุทธศาสนาในมูงจีนเกิด ข, ขึ้นมาก นิกายที่พระจีนเนี่ยตั้งขึ้นก็เกิดในยุคนี้อีกสองนิกายคือนิกายเซนกับนิกายสุขาวดีได้เกิดขึ้นอีสองนิกายแล้วก็มีนิกายมหายานที่มาจากอินเดียอีกนิกายหนึ่งไม่ได้เกิดจากเมืองจีนมาจากอินเดียนิกายนี้คือนิกายมุนนิกายมนตรามันตราอีกนิกายหนึ่งมามาเผยแผ่อ่านิกายสุขาวดีน่ะเป็นนิกายสำหรับ สามัญชนชาวบ้านธรรมดาธรรมดามารับนับถือได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามาขุกคิดปัญหาทางอภิปรัชญาอะไรลึกซึ้งในการนี้จึงเหมาะสำหรับชาวบ้านสามัญชนทั่วไปที่อยากจะขึ้นสวรรค์ทางรัฐในวิธีไปทางรัฐคือว่าถ้าจะมาฟ้องกันหนึ่งไปมีทานแล้วก็แม้มันละบากกระมนุนจะต้องมาละกีเลจะต้องมาทํากรรมฐานอนะแม้กว่าจะไปได้เงี้แล้วจะไปได้ถ้า น, นี้อาจจะไปไม่ไม่ถึงก็ได้ธรรมบารมีของเราอ่อนนะ่ะ อย่างนี้สามัญชนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นนักปราศก็พอใจเข้าไม่ถึงธรรมะเพราะเหตุนั้นคณะาจา ร, รย์ในมหายานัยกินเข้าใจหากุปสบายมาช่วยมาอธิบายพอไม่เป็นไรล้อดูปฏิพาณน่นนะถึงแม้่ารนี้จะไปไม่ถึงนะเราไปอาศัยโรงแรมโรงแรมระหว่างนิทานกับวัดสะก่อมีอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งนะโรงแรมแห่งนี้นะ่ะดีร้อยปัญญากาศตูวมิประเทศโอ้ยอย่าว่าไปเลย พื้นอนะเป็นส่วนน่ะปัตตภีรูนี่สายนทองเนี่ยแล้วก็มีสะระบูคราณีอันเป็นทิพย์ในแดนนี่นะสะบูครณีอันเป็นทิพย์น้ําเนี่ยเตรียมขอบสะพอที่กาจะก้มลงดืง่มการก้มลงดืง่มน้ำไม่เออก็ทั้นร้นขอบสะแล้วก็ไม่แห้งขอทั้นต้องติดก้นสะแต่เตรียมบริเวณขอบสะพอที่อีกาจะก้มลงไปดื่มกินโดยไม่ต้องระบาดขบวนอะไรเนี่ยและในสระบูครณีอันเป็นทิพย์นี่อมีดอกบุญคริกโกอูอบอน บทตรมารมีรูบลบัวขาบัวเขี้ยวบัวเรื่องบัวแดงบัวหลวงบัวนานาชนิดผลธารโตเข่ากุนเกียนดอกหนึ่งผลธารโตเกรากุนเกลียนบ อ, อกว่าคนนี้ไม่เจ็บตัวเปล่านะบอกว่าบนนี้เน่ะมีสําหรับตัดที่เพื่อผู้ไปถือกาเนิดเป็นโอปาติกะกําเนิดเกิดทุกขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวบนดอกบัวนี้อยู่ เนื้อจากฝั่งตะโมครมีก็มีต้นตามเจ็ดแถวในบริเวณต้นตามสิบแถวนี้มีตะข่ายกระดิ่งทองขึงเนื่องกันมีตึกกระดิ่งทองตั้งโกรตั้งแสนเครือกเวลายามลุมชูและอ่อนๆกระพบผูกกระดิ่งทองเหล่านี้ก็บรรเลงเสียงเป็นทิพย์ยะสังขีตอันไพเราะจับใจนะบันเลยได้มาพร้อมกันแล้วนอกจากนี้ยังมีเสียงลุกโบกีฬามายูโรกูนจากโบกีฬาพิรุษพาว่างงั้นคือมีลกุกดูลุกลกดึง นกมายุราคือนกยุนอ่ากูนจาคือนกกเรียนนกกีฬาคือดูว่าวเนี่ยมีนกยุงนกกรเรียนนกดูเ่วนกแก้วบรรดานกนกสาริกานกที่ร้องเสียงเพราะๆเนี่ยเนี่ยนกเขาสังมีขบลูกเขาเราไปเกิดแดนนั้นเราฟังลกเขาสบายเลยนกเปล่านี้นะไม่ใช่นกเสียงเป็นนกหนาร้องเสียงประกาศโพษชงเจ็ดนักมีองศาวันละสามครั้ง เ อ, อเด็กสบายแม่มันต้องนี้ไมโครโฟนมีอัดเทปเปิดเทปโฆษณาทรล็อกประกาศโฆษณารำเองวัละสามครั้งบรรดาสมาชิกในแดนทิศนั้นขั้นฟังเสียงลกเหล่านี้ขึ้นค้างหลายก็บังเกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังฐานุสติขึ้นในค้างนั้นในการการะบาดนั้นแดนที่ว่านี้นะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่จากโลกของเรานี้ไปทางทิศตะวันตกนับไปแสนโสดกนับดวงดาวท้องฟ้าเนี่ยนับให้ได้กคบแสนโกดเป็นเจ้าลูกนี้ ให้ชื่อว่าสุขาวาดีแปลว่าแดนแห่งความสุขอย่างอุกฤษอยู่ทั้งที่วันตกอ้าวพอพอสร้างแดนสุขาวาดีขึ้นแล้วคุณก็เอาสิพวกที่ไม่ชนะไม่ชนะสามัญชนที่ไม่ เ, มเสร็จปัญญาชนเอเดนี่เพราะคุณเรามาลูมเงินลูดทองเอฟฟังมิสวนรณปัทถีโรดิทรายเงินทรายทองมันชอบคุณเรามาชอบไอเงินเงินทองทองเพชรนินกินดาเนี่ยอยากจะ อ, อยากจะได้กัน โลกนี้เป็นในทางมห า, ายายนี่โลกนี้ว่าเป็นสาข า, า, มมมาโลกทาตุคำว่าสาาโลกทาตุนะหมายความว่าโลกทาตจะต้องอดทนคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ในโลกธาตที่เราอยู่เนี่ยต้องเกิดมาได้วยความอดทนอยู่ก็อยู่ด้วยการอดทนนะไอ้อยู่ที่ไม่อดทนนะ่ะไม่มีเราอดทนอดท น, อดทนจากอะไรท่านบอกว่าโลกนี้มีความเสื่อมคือความผิดหายอยู่คือว่ า, ว า, า ค, ความผิดหายเพราะกับ ค, ความผิดหายเพราะอายุความผิดหายเพราะกิเลสความผิดหายเพราะสัตว์ ความชิบหายพระพุทธที่ในโกนี้มีไอ้ความชิบหายอยู่ดังว่ามาเพราะฉะนั้นผู้สัตว์ที่จะมาสู่ในโลกนี้ก็ต้องถ้าจนไอ้ความชิบหายดังว่ามาก็ต้องอยู่ด้วยกับผลผลอดทนอดทนได้ก็อยู่ไปอดไม่ได้ก็ตายไปอยู่เนี้ยไม่มีไอ้ทีาา่จะหาความสบายจะไม่มีเลยทีนี้เนี่ยว่ามันสบายจริงด้วยเสมอมันเป็นเพียงแต่ที่เท่าที่เท่ากบลงนั่นเองความริงอะไราอุเราหลงผิดไปทั้งนั้ น, นเองว่ามันสบายว่าั้น แต่ว่าในแดนสุขาววดีนั้นไม่มีเลยไ อ, ไ อ, ไอ้ของพวกนี้อย่าเข้าใจว่าพวกลกอันเป็นมีติดระนานคติด่ะจะมีในสุขาวดีนะล็อกเหล่านะั้นไม่ใช่ล็อกธรรมดานะเป็นพุทธนิยมิตรพระพุทธเจ้านิยมิตรขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการประกาศธรรมในโลกนี้ต้องอาศัย ไ, ไมโครโฟนที่ยุเครื่องโทรประกาศธรรมแต่โลกนั้นไม่ต้องอาศัยลกประกาศธรรมสบายสบายกโลกนี้เป็ไหนห <laughs> น้าไปไม่รับฟังแล้วอ่ะอยากจะไปนมะ่ อยากไม่ไันจะบอกวิธีให้อ่านี่กายสุขาวดีบอกว่าผู้ที่อยากจะไปเกิดในแดนสุขาวดีเนี่ยมีข้อปฏิบัติอยู่สามประการหนึ่งต้องตั้งศรัทธาภาษาพระในองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเวลานิพพานยังทรงประชนชีพอยู่ประทับแสดงธรรมในสุขาวดีพระพุทธเจ้าองค์นี้ชื่อว่าพระอมิตาพระแต่ว่าพระพุทธผู้มีรัศมีไม่จํากัดแผ่ฝ้านไปทั่วอมิตา บวกอาภาเนี่ยไหมอมิตาภาผู้มีแสงอาภาคือแสงสว่างกำจายไปทั่วไม่มีขอบเขตเดี๋ยวนี้ทร ง, งไปชนที่อยู่นะสแสดงธรรมโสดัดอยู่ที่สุขาวดีเนี่ยห่างจากโลกเราไปแสนโสดโลกเป็นเจอทางตะวันตกแผนที่มีหลักภูมิศาสตร์บอกไว้เลยา ใ, ใ, ในคำภีรว่างนันแล้วนอกจากท่านปรทแสดงธรรมอยู่แล้วท่านยังมีตลัดซ้ายตลัดขวามาช่วยงานท่านในการโสดาจ ประหลัดขวางท่านคือพระอวโลกิเตศวรูริสัตย์คือพระกุณิมคุณิมในภาษาจีนแปลว่าคุณิมประลัดใต้ของท่านคือพระมหาตถาคตเจ้าที่ว่าไต่ซีจีภาษาจีนว่าต้าซื่อสื่อผูษศองค์พระกุณิมก็ควาน่อยินผู้ศสองพระอค์อวโลกิเตศวรผู้ิษัตย์กับพระมหาตถาคตผู้ิษัต์เป็นปราลัดวาเป็นตำแหน่งพระครูประหลัดท่งท่านคอยช่วยงานในการบริหารจิตภาษาศนาโปรดตักอยู่ อาทัาโพโพ้งพระองคศักด์ทั้งสองพระองค์นี้นะ่ะมีปณิธานกับพระอมิตาภะนะ่ะยิ่งใหญ่เหลือเกินคือตามประวัติเล่าบอกว่าในอดีตชาติพระอมิตาภ พ, พุทธเจ้ายังสเสวยพระชาติชื่อว่าธรรมกรณพิขุบูเป็นพระในสมัยโบราณพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระอมิตาภพะนะ่ะเป็นทีธรมมกรณพิขุบแล้วก็ได้ตั้งประมิธานในแฉกระบาทมูลแห่งพระโบราณพุทธเจ้าพระองค์นั้นถึง 42ข้อเดีวยวกันใน42ข้อนั้นน่ะมีอยู่ข้อหนึ่งระบุว่าหา้พระองค์ตะจะรู้แก่พระปรมาภิเศษสัมมาสัมพุทธิยานเมือ่อใดแล้วก็ขอให้โลกกระทำของพระองค์น่ะมีทิพยสุขมีเครื่องอลังการต่างๆร่วมเป็นทิพประดับประดาปัจารารได้ที่มาเกิดในแดนพระองค์น่ะอย่าได้มีทุกกายทุกใจมาบีทาเลยแล้วก็ถ้าปัจจารได้ถ้าปรารถนาะจะมาเกิดในแดนพระองค์น่ะเป็นเพียงแต่ละลึกถึงพระองค์ท่านั้นน่ะ ได้เกิดตามเป็นหนหวังถ้ามากเราไม่เป็นไปตามที่พระองค์ปฏิญาณแล้วก็ขอให้พระองค์อย่าได้บรรลุภูมิยานเลยก็บัดนี้ธรรมกรณพิขุได้บรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วมีนามะาอมิตาภะก่อนเนละิกพระปัจกยะมูลีพุทธจทเจ้าของพระองค์นี้ปัสรุ้สิบกับบรรลุมาแล้วในอดีตสิบกับเป็นอดีตสมุท tha และยังทรงเคยโคลนชีพอยู่เวลานี้จึงอินชัวรันได้ว่าหากว่าเราจะไปเกิดแล้วพระองค์ต้องแห่บารมีมาเอาเราไปเกิดแน่นะ และนี่ว่าองให้ศรัทธาผูกภาษาธาในพระองค์ไว่มากๆให้เชื่อว่าพระองค์มีมบารมีที่จะมาช่วยไถบาปของเราพาเราไปเกิดในแดนทิพนั้นนี่ข้อสองนี่ข้อหอนึ่งต้องศรัทธาข้อสองต้องท่ามบ่นพระนามของพระองค์ภาวนาถึงพระองค์อยู่เป็นนิดอาการท่าบน่นกาหนดจิตจิตตรึกนึกถึงพระองค์ ปากเราก็บูชาถ้ำตุดดุดีพระองค์เช่นบน่นว่านามูมิตาพายบุตรชายเนี่มูมิตาพายบุตรชายะนี่ยภาวนาอย่างนี้ภาติดนะถ้าว่าเป็นเสียงจีนก็นามูอมิโทอหุ้ดภาษาไต้หวันถ้าว่าเป็นจีนหลวงก็ว่านามูนานนานอูอามีโถฟูนานอูอามีโถฟูถ้าว่าเป็นเสียงยวนก็นามูฮานามูนาโมอามีอามีดาครับ พุทธนี่แหละพุทธะนี่บูอนออกเสงเป็นผักอย่างตาพุทธศาสนาเสียงบนออกเสี่าผักเย้าผักเจ้าคือพุทธศาสนาอามิดาผักอมิดาผั ก, ก็คืออมิตาภะถว่าเป็นเสียงญี่บูนก็นามูอมิดาบุตรสุบุตสุตเ น, นี่ยหมดแล้วแต่เราจะเลือกจะว่าตังเสียงไหนแต่ว่าถ้าจะเป็นเสียงไทยไทยก็ควรจะมี น, นามอูอมิตาภัยพุทธายาะเราก็ครองดีชัดเจนดีภาวานาไปเถอะวันหนึ่งร้อยกูดแสนบุ ยิ่งมากยิ่งเลบุญจะหยุดถ้าภาวนาเสียงดังไม่ได้ก็ภาวนาในใจก็ได้ใช้ได้เหมือนกันข้อที่สามตั้งปฏิฐานอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดในแดนนั้นใครปฏิบัติครบสามข้อนี้ข้ามีตาพระจะรับรองกับเราเลยจะอิงชูรันกับเรารับประกันกันเราว่าเราตาแล้วก็ไม่เกิดในแดนสุ ข, ขาว่าดีร้อยเปอร์เซ็นท่านจะมารับเองถ้าว่าบุญบา ร, รมีเราสูงมากแา้วจะมารับเองเพีเดียว เขายังมีบาปตีกันอยู่บ้างท่านสุนทบริวารท่านมารับเนี่ยพระผู้ชูท่านมารับเราไปอระาหาว่าเราบาปมากหนามากมากมายแต่พระองค์จูนไอตอนตูนจะตายเนี่ยตื้เลึกขึ้นพระองค์ได้ขึ้นมาถึงขนาดนั้นละพระองค์ก็ยังจะรับเราเข้าไปในสุขาวดีแต่มีข้อแม่นะพวกที่มีบาปมากๆเนี่ยมือเกิดในสุขาวดีน่ะดอกมืไอไป่บาลในทันทีหรอกดอกบืหุบหุบอยู่บนที่หุบอยู่กั้งกับๆน่ะ ให้เราชำระล้างบาปภาในดอกบูหุบนั้นแต่ถ้าผู้ใดมีบุญมีบุญอย่างเดียวไปเกิดผุดทันทีบานทันทีเจ้าคติธรรมอย่างนี้น่ะถามันจะชนชอบใจขึ้นสวรรค์ทางรักเอาง่ายดีกว่ามานั่งภาวนาแหมยุบหนอพองหน่ออู่นะลงทุนลงร้อนมากแล้วตต้องเสียสละมากมายต้องไอ้ละไอ้ปริพุทธเครื่องกังวลมากมายลําบากเอ๊มีมีอีกมหายางเขาเสนอในการสุขาวดีที่เข้าทีฮะ ไม่ต้องอร่อยเป็นเพียงแต่สวดน้ํามูมีตาพายุพุทธายะแล้ว ก, ก็ตั้งศิตอธิษฐานครั้นี้เด็ไปแล้วใครมั่งจะไม่อยากไปไปกันเลยเพราะฉะนั้นสุขาวดีจริงกลายเป็นคล้ายๆโรงแรมอ่ะที่พักระหว่างวัฏสงสาร น, นิพพานเุขาดีไม่ใช่นิพพานนะไม่ใช่นะเป็นโลกโลกหนึ่งของรมุติจาร์เราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เข้านิพพานไปเลยเขาจะเทียบก็เหมือนสุทาวาสท่านท่านสุขาวาสพโมโลก สำหรับเป็นแดงอยู่ของพระอนาคาอยู่แล้วเขา้านิพพานอยู่แล้วไม่ถอยมาในวัฏฏะอีกไม่มาในในเบื้องต่าอีกแล้วเป็นเอกชาติปฏิพัทธะเอกชาติปฏิพัตทธะแปลว่าเกี่ยวเนื่องกับการเกิดอีกเพียงชาติเดียวเหมือนพระอนาคาเลยแหละอยู่เรื่องมีชาติชาติเดียวคือไปเกิดในชั้นสุทาวะเพราะฉะนั้นมีกายนี้พอตั้งขึ้นแล้วว้าวแค่ไหลใหญ่คนชอบมากโอ้ดีไม่ต้องไปปฏิบัติขัดเกลาอะไรมากเราเอาเข้าแค่นี้ก็พอ แต่ว่าท่านหลายนี่เป็นเพียงอุบายนะคณาจารย์ทางมหาญาณเขาเข้าใจสร้างหรือุบายอะไรพวกนี้พอเห็นว่าจะสอนคนใม่เขา้าถึงธรรมะรท่านฤาษีพระท่านสูงหนะ่ะเหมือนเข็มคคบขึ้นเขาลําบากมากเพราะฉะนั้นท่าไม่มีอุบายที่จะชักจูงสั่งสอนให้มีที่ยึดเหนี่ยวบ้างแล้วคนจะไม่เข้าถึงตูวศาสนาที่แท้เพราะฉะนั้นเขาจึงวางอุบายด้วยกุดตับายเป็นการชักจูงบุคคลให้มาติดในท่านนี้ก่อน แล้วภายหลังจึงได้สอนธรรมะให้สุขุมกรำพีรภาพไปตามลําดับท่านนี่เป็นสอนธรรมะขั้นฝุกคราติฐานเพราะฉะนั้นเราศึกษารพระพิมหายาน่ะต้องเข้าใจทั้งด้านฝุกคราติฐานกับธรรมาทิฐานพอเราติดในเรื่องสุขาวดีแล้วอาจารย์มหญญายานจะสอนธรรมาทิฐานทีเดียบอกว่าคําว่าอมิตาภะเนี่ยหมายถึงปัญญาในตัวเราหรอกปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติทางวิปัสสนาแดนสุขาวดีนะ่ะไม่จําเป็นยังต้องเป็นแดนนั้นจริงๆ แต่มันอยู่ในใจเราก็ได้ถ้าหากว่าเราสามารถสักเทเรศได้ทุกขามันดีอยู่ที่นี่ขณะนี้อารมณ์นี้ไม่ต้องไปรอให้พลาด น, นะ <N> นี่หักเป็นธรมาริษานเลยคือาการศึกษาพระธมหายานเราต้องมีไหวถ่านว่าอะไรที่ฉันูดเป็นปุคคลาริฐานอะไรที่ฉูดเป็นธรรมาริฐานเมื่อเราไว้อย่างนี้ แ, แล้วก็แลเราก็จะเห็นว่าคติในมหายาน่ะไม่ขัดกับเทระวาดเราล็อแต่ว่าทางเทรวาดเราน่ะเว่ากันซื่อๆา ว, ว่ากันซื่อๆพูดตรงไปตรงมา ทามหายาณเขามีเล่มีไอพพ้พริกแพงปุณณามีพลิกแพงที่จะที่จะพูดเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนกับยาเห็นแล้วว่าก็เปรียบเหมือนยาหมออยาหนึ่งนะกินไปก็รักษาโรคได้สมังหายแต่สีของยานะ่ะไม่น่ากินแต่ทางมหายาณเขาเข้าใจเอาสีต่างๆมาโรยยาหม้อนี่ให้ชวนกินให้ชวนกินหรือเพืกระตุ้มันหนอยยาลูกกรอน เห็นล้วว่าจเป็นยาลูกกรองล้วนๆไม่มีสีสันเราเว่ากันซื่อๆเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่ได้อิงอาศัยบุคคลเป็นใหญ่อิงอาศัยโลกเป็นใหญ่แต่ว่าพระมห า, ายานาน่ะเขาคํานึงถึงเรื่องการทิพย์ปไต่อัตตาธิปไตยด้วยแล้วก็เอาธรรมะทิปไตยมาให้ภายหลังถ้าเปลียนเป็นยาลูกกรองก็เป็นลูกกรอนที่หุ่มน้ําตาลเป็นลูกหวาดให้คนเห็นว่าหน้ากินมีสีต่างๆแดงเขียวเลืองชวนกิน กินเข้าไปมันก็ยาเหมือนกันฉันได้ก็ฉันนั้นเหตุนี้แหละมหายานจริงแท้หลายอ้กุ่มคนมากเขาถึงได้โฆษณาว่ามหายาเพื่อมหาชนมหายานขนขนข้ามวัตะได้เดยอะเยอะกาเยอะด้วยทีนี้เพราะมีอาการพลิกแพลงกุศโลบายเนี่ยชักจูงคนให้เข้ามาเห่นคนยังติดอ้อนวอนติดไปสวรรค์ทางรัฐของเข้าวกระสือเนาะมีไม่ต้องไปถือศาสนาอื่นเราไม่ต้องพุทธเราก็มีมีการสุขาวดีอยากล้างบาศอยากไถ่บาปถ้ามีตาพระฉันตรียมพ่อจะช่วยไถ่บาปเราแล้ว มัต่อไปเป็นคริสเตียนมัต่อไปเป็นไสว่าฮินดูอิสไปตองครับมานกถึงมีการสุขาวาดีเนี่ยพออืมมือหลายปีมาแล้วพระลังกา อ, องค์ที่แกไปฆ่านายกัจจบุตรยังกาตายอะ่ะในบรรณะในเก่ะถูกยิงตายอพาพระลังกาปราชิตอง์นี่อะ่ะข้ามนุษย์ตายแล้วแต่ก็ถูกข้าศึกแลก็จับขังไว้แล้วก็สามิถาสาบประหารชีวิตโดยมีทีแขนคอ ปรากฏว่าจะเปลี่ยนศาสนาในมินาทีสุดท้ายจะเป็นคริสเตียนแกบอกว่าพุทธจนะไม่มีร่างบาปสิช่วยแกไม่ได้แต่เป็นคริสเตียนแล้เจ้าร้างบาปยกบาบให้แกได้เนี่ยแม่น่าเสียใจจริงที่แกเป็นคริสเตียนได้ความจริงถ้าแกอยากจะร่างบาบใชต้องเปลี่ยนศาสนาหรอกเป็นมีการสุขาวดีก็ร่างกันได้แล้วฝ่ามหาย า, ยยานไม่ไม่เป็นไรถ้าถามีความจงรักภักดีมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วมีวิธีที่จะยกบาบยกบาบนีบ่ไม่ใช่แทงศูนย์นะแทงศูนย์ก็ขับหลักกรรมในพุทศาสนาสิ ไม่ขาดหรอกในกายสุขาวาดีก็คำนึงหนึ่ง ห, งหลักกรรมมันกลายเปวตั้งตั้งในกายหม่ในพุทธศาสนาแล้วค้านหลักกรรมป็นเพียงแต่ว่าไอ้บาปที่จะทําน่ะเก็บไว้ก่อนยังไม่พูดถึงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ปิดตัวแกไปไปอบรมหมุนนิสัยไอ้ตอนนี้ในดอกโบหุบเ่ยแหละหุบอยู่ด้วยกับๆนี่แหละไอ้ตอนนี้แหละไปไปทำละศาสะนาในดอกโบหุบนั้นอ่าไม่เพีว่าไม่เพีว่าบาปยึหายไปนะไม่ไบาปไอบาปนั้นไม่หายปิดตัวพาปิดกะดูกไปเกิดสุขาว่าดี แทรที่จะเป็นงกระบาตกนรกไอต้ตกไฟไปสุขาวดีแล้ว น, นี่การสุขาวดีเขามีห้อย่างนี้แล้วอันที่จริงนาะยเองยกบาปในาศาสนาที่มีพระเจ้านะ่ถ้าเราพิจารณาตามหลักเก็ฑผลแล้วมันยกให้กันไม่ได้หรอกไอ้ยกบาปนี่มันูุดเออเออเ อ, อ เ, อ, อ, เ อ, อกันเองระหวงังระหว่างตัวบาปหรนะือแไอ้คนนี่มาร่างบาปปากล่ะตัวงขาขากันเองหนกละ ที่ไหนไมใจเดีมาเอเอโาขาแ ล, ล้วพูดด้วยเปล่าเราบอกว่ า, วาคุณพ่ออ่าตัวเขาลูกนะวันนั้นเมื่อนั่นจะมาทำบาปยังไงงั้ น, น, น, น, นพ่อบอกว่าเออลูกเลยพระเจะ้าฟื้นเจ้าไยกบาปให้ลูกแล้วนะต่อไปเ่วกับงสังวรไว้เถอะนะปัจจุบันพระองเ์ได้ไถ่าบาให้เจ้าแล้วไอมาบอกรู้พูดพราเจ้าพูดที่ไหนกันเอเ อ, เ อ, เ อ, เอกันเองกันพูดข้าขากันเองมันเป็นผลคอยได้ทางจิตวิทยาคือว่ามีทางระบายความกุ่มอกกุ่มไดอีกคนหนึ่งรับรู้ท่าเองอ่ะมันก็สบายใจหลอกตัวเองสบายใจไปพักนึง ที่ไนมันจะยกบาบได้ถ้ายกบาปได้แบบนี้ก็อายุติธรรมหรือซิเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักของกนนรรมในพุทธศาสนาน่ะยิ่งสอนใเรื่องขีงความเป็นอายุติธรรมเป็นใหญ่ไม่สอนเรื่องอายุติธรรมอย่างนี้พวกเราว่าในรอบทวงทั้งนี่แหละเกิดนิกายสุขาวาดีขึ้นแล้วก็ต่อมาก็มีนิกายเซนนิกายเซนน่ะตรงกับข่ามสุขาวาดีเลยสุขาวาดีน่ะนิกายเป็นปัดหมดไม่เอาหมดสุขาวดีก็ไม่ไม่อยากไป แมวต้องเอาเป็นพุทธะเป็นนิพพานในชั่วโมงนี้นี่กายเต็มสอนว่าทุกคนเมื่อไปมีท่าเป็นพุทธะในตัวอย่างนี่กายศรัทําบุริกากันนกาอาวตังสกัดแล้วทำให้เราไม่เอาไอ้ท่าที่พุทธะในตัวเรานี่ออกมาล่ะถ้าจะเปรียบพุทธะพุทธิเจ้าที่แต่รู้แล้ว่าอาหารเั้งหลายเนี่ยเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วระดับอยู่บนเดือ น, นแหวนหรือบนใยตอต่างๆ งดงามสุ่งแส ง, งคลางราวเพชรคือา ธ, ธาตุเปพุทธะในสัพพะจัตตเหมือนเพชรที่ยังอยู่ในหินยังไม่เจราาิญในเหมือนทองที่ยังปนอยู่กับไฟในลำธารเนี่ยถ้าว่ากันที้ตัวเมื่อธาตุธาตทองในลำธารหรือธาเพชรในก้อนหินก็เป็นธาตุเดียวกับเพชรที่เจรานาินบนเรือนแหวนอันเดียวกันแต่ที่แตกต่างกันน่ะแตกต่างกันที่รูแสงและสถานที่ต่าง แตกต่างตรง น, นั้นเองฉันใดผู้ตัตรู้แล้วตัพุทุชนผู้ยังไม่ตัตรรนะู้น่ะความปินก็มีธาตุพุทธะเสมอกันหมดแต่พุทุชนเราน่ะเหมือนเพชรที่ยังอยู่ในหินยังไม่ได้ผ่าน ก, นกรนารเจรไนอ่ะเหมือนทองที่ยังไม่ถูกกันร้อนก็ลุกตะพุ่นกับผู้กิเลสจึงต้องเวียนไหวาตายเกิดแต่ผู้ที่ได้รอดแล้วเด็เจรไนแล้วก็ดูพ้นจากความเวียนไหวาตายเกิดเมื่อเป็นเช่นนี้ นีก่กายเป็นหนึ่งสอนาให้ลราปลุกธาตเป็นพุทธะที่มีอยู่แล้วในตัวออกมาเมื่อรับปลุกออกมาได้เราก็เป็นพระอาหารเดี๋ยวนี้ปีนาธีนี้ชั่วโมงนี้ทีน่นี่ไม่ต้องไปรอคอยไปไปเกิดในชาติหน้าชาติไหนที่ไหนนิก่กายเซนหนึ่งสอนให้ไปนิพพานอย่างฉับพลันโดยทางลัดอีกเหมือนกันทั้งสองนิ่กายบอกทางรัดหมดแหละอีกฝ่ายนึงบอกว่าเออทุกเขาดีดีกว่าทุกเขาก็ดีนะ่ะเปรียบเหมือนว่า เรงเดนินพายไปเน่ะอาศัยเรือไปไม่ต้องลงทุนลงรอนั่งนั่งในเรือเรือพาเราไปถึงสี่จุดหมายเพราะว่าตามมีไก่เป็นแล้วตกเหม๋ลงทุนไปทางบกกชุนละมัททางบกต้องบุกปา่ปาป่าน้ำดีไม่ดีอาจจะไปเจอสุดอ้างลำบากไปทางเขาดีไปทางชุนละมัทขี่เรือไปเรือในที่กเก่านี้คือประนิหารของพระมีต า, าพระคุจ่าท่านต่างเอาไว้ท่านองอุอ้มหิ้วเราไปด้วย สองนิการนี้ก็เกิดแข่งกันขึ้นในกวหมายราชวงศ์ถังเรื่องราวในกายเซนถ้าทํานนักลาจะทาบละเอียดก็เธอไปอา่านหนเวลางาสุดเวลางทีครินกันแล้ว น, นั่นแหละเป็นตัวแทนีน้กลายเซนก็มีอะไรบ้างในเวลางาวันนี้ก็เห็นจะพอทุกคนเก็วเวลาก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอำนาจท่าว่าถึางอานาจอานาจวีบากแล้วอ้าบัดบางอย่างไม่ได้ ไม่ได้ห้ามตักคาวรมะข่าวร น, น, นะฮะอ่าอาบัติบางยักแต่ว่าผิดจารีลูกกันิยมก็ไม่เป็นไรไม่มีเวร ม, มีกรรมติดต่ อ, ต, อต่อไปทุกชาติน่ะนะฮะเช่นว่ามีพระบัญญัติห้ามไม่ให้พระทันอาหารเคี้ยวจับจับพระบัญญัติห้ามมาให้พระอ่าบั่นก้อนข้าวแล้วก็โยนเข้าไปในปากกินเล่นๆหรือหรือพระบัญญัติไม่ทิ้งของปลกปลวก ก, กลอยโสมมอ่าเอาไว้ในถ้ว โดยที่ไม่เอาน้าําำําระล้างเสียเมื่อเราละเสร็จทุระกิจแล้วอย่างนี้เราก็ถึงแม้จะล่วงไปลูวพระวัญญัติไปก็ไม่มีบาปปีกรรมอะไรนะไม่เป็นฝักคาวอหรือมัคคาวร อ, อะไรทั้งสิ้นไม่ถึงจะตกะโซลกหรือไใบอาบบายอะไรทั้งสิ้นหรอกอาบาททัตพวกนี้ตาสั่งอาบัต ท, ที่จะเป็นไปเพื่อเป็นสักคาวรกับมัคคาวรคือห้ามสวรรค์บ้างห้ามมัคผลบ้างอาบาททัตพวกนี้จะต้องเป็นอาบัตประเภทที่เดีวกว่าทําไปแล้วสะเทือนสะเทือนบุคคล แล้วก็ระเทืนบุคลบคลคนอื่นทังคมแล้วก็ทั้งตัวเองด้วยเช่นข่าเขาตายอย่างนี้ข่าเป็นตายข่าเขาตายน่ยแม่ไม่เป็นพระก็ยังไปอบายแล้วอย่าว่าแตเป็นพระเลยหรือว่าประราชิกในข้อเกี่ยวกับเมขุนอย่างนี้อย่างนี้ไม่คดิหัดจะไม่ไปอบายแต่พระเราเป็นเทศประเสริฐเมื่อร่วงไปแล้วตามปิด บ, บาง ท, ง, ท ง, ทงทั้งที่ตัวลู่อยู่ก็ก็อว่าลวงโลกลวงโลกให้เขาการาบเขาว่ายกันก็เป็นแผลในใจ เขาเขาหลวงกราบหลงไหว้เราล้วที่สุดผู้มีศีลนักราบมาไหว้เราอย่างเนี้ยเราก็ได้รับไอ้ผลที่เราทํามานี่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเป็นหายใจใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้เมืเ่อเวลาจะดับจิตโดยที่ไม่ยอมติดหาลาภเพศแล้วยังคลองอ้างตัวเป็นสมณะไม่ใช่สมณะกับปฏิญาณในสมณะไม่ใช่เป็นบรรพชิตกับปฏิญาณในบรรพชิตอยู่อย่างนี้แล้วเวลาตัวจะตายจิตก็เศร้ามองจิตต้องเศ้ามองเมื่อคำหนึงนี้จำที่ตัวทาวาํามาก็เมื่อจิตเศร้ามองแล้วก็ต้องไปสู่ ทุกปกติทุกปกติตาติกลางขาแต่อันแน่อันนี้คราวนี้อาบัตบางอย่างนะเป็นอาบัตที่ว่าทางทำติดเตียนแต่ทางโลกไม่ติดเตียนอย่างยกหนึ่งประราชิกในข้อไมถุนเนี่ยโลกก็ไม่ติดเตียนเขาทาได้ถ้าเป็นเป็นฝ่ายโลกแต่เมื่อทางทำติดเตียนแล้วเราทําไปก็ไปอับอายอาบัตบางอย่างทางโลกไม่ติดเตียนทางทำติดเตียนเราทําเข้าไปแล้วก็ไปอับอายอาบัตบางอย่างอั้งทางโลูกทางทำติดเตียน เราทาไปแล้วไปอาบายน ะ, ะลืมล้างส้วมเมื่อเวลาไปสวมแล้วลืมล้างส้วมไปหรือว่าผมผ้าไม่เป็นปริมนทนเมื่อเวลาออกจากวัดหรือเวลาเข้าบ้านอย่างนี้อาบัติประเทศนี้ล่ะไม่มีกรรมวิเวณนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องอาบัตินี่ก็ต้องพูดเป็นประเด็นประเด็นไปจะเอารวมผุ้มไปสมหมดว่าอาบัตหหาบาิหมวดไหน ไ, ไปอาบายนหมวดไหนไปจะอาบายนไม่ได้ทุกกฎเดียวกันนี่แหละ ทุกอดนี่แหละบางข้อก็ให้ไปอาบัยบางข้อก็ไม่ให้ไปอาบัยปฏิจิตติกัเหมือนกันบางข้อก็ให้ไปอาบายบางข้อก็ไม่ให้ไปอาบายบาบอบัพปฏิจจิตนี่ยนะที่กล่าวกันว่ากายเทวดาเป็นกายทิษมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งที่อยากจะทราบว่าเวลาเกิดสงครามเช่นอย่างเวียดนามลบ ก, กันนี่ระเบิดต่างๆก็ระเบิดกันมากพวกเทวดาไม่โดนระเบิดตายมันพวกมนุษย์เราหรือ ที่ท่านู้ถามถามคุณจะหมายถึงผู้คุมาเทวดานะหรนะือากาศเสพพยาเทพยาดาเสพเทวดาในช่านจะามมาพจรแล้วอู้ก็ห่างจากพวกเรามป็นู้เป็นนับเป็นทางเดินรู้แสงแสงหนะเดินทางเร็วมากแต่ถึงอย่างนั้นยังไม่คลางไกลเล็งเท่ากับเทวดาเหล่านี้ที่แผ่รัศนี้มาส่วนพวกผูผมาเทวดากับอากาศเสพพยาดานั้นลูกกระเบิดต่างๆเป็นวัตถุท่านเหล่านี้กายที่ท่านนั้นไม่กีดมันกับวัตถุ เระฉะนจะกระเทือนแค่ไห น, นท่านกน็ไม่กระเทือนด้วยไม่กระเทือนครับเหมือนอย่างการพวกเรานั่งอยู่เนี่ยตัวที่เรานั่งอาจจะมีเทวดานั่งซ้อนเราตั้งร้อยร อ, องค์กระดาโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้สึกหนักเพราะฉะนั้นเทวดากายท่านก็เก้ากายมนุษย์ไปก้ากายกั น, ก น, กนมนุษย์จะลบราคาไฟฟ้าเหงื่อลุกกระเบิดไฟกันอย่างไรวิมานท่านก็นไม่ทลายไม่หวัน่นไหวเช่มนุษย์นอกจากพวกชั้นต่ําจริงๆนะที่พวกพวกอสูรหรือพวกเวมานในกเปรตเนี่ยบางทีอาศัยสายวิมานตามตุ่นไม้ตุ่นไฟ ต้นล่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้ใครไปลื้อถอนตน้นไม้เขา้าวิมารถคุณเหมือนกันผูนขข้นี้มีมารมีมารถคุณถ้ากันเอาในแง่ประเด็นนี้แน่นอนละเวียดนามเบี่ยงกระบิดสายการคูกเจ้าป่านะ่ะเห็นจะหมดเป็นป่าเปล่าก็จะยกนี้ถอนถอนเสาวมิมารออกไปทันแน่เลยเขาเลื่อยพังมาไงถามถามเกี่ยวกับเรื่องการเ อ, อ่อตามเรื่อง ในพระพุทธศาสนาได้แสดงว่าพระเจ้าชาติศัตรูทําอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อจะต้องไปตกเอเวทีมหานรกแต่กลับไปตกในโลหะขุมพีอุสุภะนรกซึ่งเป็นขุมเล็กกวา่าการที่เป็นที่นนี้เป็นเพราะพระเจ้าชาติศัตรูได้ทํากุศลคือบำรุงการประทมสังขยาชาครั้งแรกหรือเป็นเพราะพระเจ้าชาติศัตรูข้าพ่อด้วยจิตที่เป็นสัตสังคาริกคือ ถูกพระเทวทัตชวนแนะนําให้ข่าผลงานกรรมอันนี้จึงไม่ต้องไปตกนรกหุกใหญ่กรุณาช่วยวิธีไถด้วยหากพระชาติชาติตรูล่ะข้าพอน่ะจะว่าเป็นสังขาริกก็ไม่เชิงพระเทวทัตเน่ยเป็นฝ่ายแน่แน่วิธีให้ทํารื่อมันแน่น่ะแน่มาหลายวันแล้วนะมันจะแน่ทุกปัมปั้ระหว่งที่หลายวันนี่นะอาจารย์ศัตรูยังกุนนิจข้าอันนี้เป็นอาจารคาริกแน่ไอ้อะไรจะไปโยนสังขาริศเป็นเหตุไกเป็นเหตุไกเป็นภูริเหตุอาจารคาริกเป็นเหตุไกเป็นสันติเกเหตุ ก็เลยได้เป็ น, นาอาชาติศัตรูข้าพ่อเนะมีทั้งอาสังขาริกกับสาสังขาริกปนกันแต่อะไรไม่รา้ายข้าไอ้อาสังขาริกในเหตุไกรที่ออกคําสั่งให้ช่างตัดผมไปเอาใบไม้กูเนี่ยกรีดเท้าพ่อกรีดเท้าอย่างมีสารนะถาเท้าสองข้างออกแล้วก็เอาเกลือถาย่างบนไ ม, ไม้ไม้ตะเคียนเอาไม้ตะเคียนจุดไฟเข้าแล้วก็เอาล่าเอาขาพ่อนี่ปิ้งด้วยไม้ตะเคียนผานเพลิงไม้ตะเคียนนั่นเลยนี่อันนี้เป็นอาสังขาริกแน่พระเทวทพมาเลยสอนอย่างนี้นี่ พระติวทัพเพียงแต่เพาท่านน่ะลงมาชพระิดาเสียพราะพิดาหนัะชนมากและถ้าหากว่าตอนนี้พระดาห้ยหลักสมบัติท่งเราดความรักวันต่อวันเพราะพระปีดาเกิดุกคิดขึ้นมาท่านก็จะไม่ได้ราสมบัติพระติวันทัพเพียงได้พูดในอย่างนี้สูนในเรื่องที่ฟังคนได้ไปผ่าเท้าพระจะมีปศาลปิ่งไปเนี่ยพระเจ้าในประตูคิดเองทาเองเพราะฉะนั้นน่ะพระเทวัฒเปทนเพียงแต่สันติเกอไอ้อาทุ่ยเหตุเหตุไกลเออไอ คนทำนะ่ะคืออาจารย์สตูเป็นสันติเกเหตเหตุใกล้ในอสังขาริแทในประเด็นนี autumn, awesome. uh, ้ในประเด็นที่สั่งให้ไปฝ่าเท้าเนี่ยเทวทัตไม่ได้สั่งหรอกอาจารยตูทาเองเพราะเหตุนั้นอาจาระตูที่ต้องตกประโลภอเวจีแต่อาจารย์สตูจับตัวทันในปีนั้นเองแหละจับตัวทันหลังจากพ่อตาและวอีวันก็จับตัวพอพ่อตายอีกกี่วันพระเทวทัตก็ถูกอเวจีสูบพอสูบเข้าพระเจ้าสตูกลัวใหญ่จะนั่งจะกินไนึ่มีสุกถวายเลยนั่งกินหนึ่มีสุกเลย กระทั่วันหนึ่งเป็นวันสิบห้าครับเดือนตุกตะดาทีเดียวพระเจ้าอาชาติสูจะหาเรสจะหาทางมาเสาะรู้จักเพื่อจะทูลขอขอมาตัวเองหาเลสพอเสร็จว่างราชกิจก็พูดไปเปลือขึ้นในที่ประชุมเซนนาวดีว่าเอ๊ลาตรีนี้พระจันท์ก็ผ่องเพ่นนวลใหญ่นะดอกกูมุสก็บานส่งผินหอมพรุ่งจินใจเหลือเกินลาตรีเช่นนี้นะเหมาะสําหรับเราจะไปรุ่นม า, าทํากับพวกเจ้ารัติธรรมณะาเออทั้งหลาย ท่านเห็นว่าสมณพราหมณ์จะาาที่คนไหนนะที่เหมาะสมคุรกับเราจะไปสนทนาดีในคืนวันนี้ในที่ประชุมก็มีพูกุกสิทธิ์ขุครูต่างโขนะต่างคนต่างเสนอคู่ตัวบอกว่าคู่ตัวน่ะไปทาราหันจึงควรจะทูลเชิญเด็จไปเฝ้าอ่าไปสนทนากัคขู่ตัวคนนั่นคนนั้นพระเจ้าอชาตสุสู์ก็เฉยเพราะว่าที่พูดอย่างนี้น่ะพูดถึงจะทิ้งท้ายนะครับชีวกหมอชีวกกูบาลภัท แท่หลวงทูลเพิเเนให้ไปภาพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าหมอชีวกน่ะเป็นอุปถาภ์พุทธองค์ดูเวลานี้พุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่ชีวกมพวันป่ามะม่วงน่ะทางทิศประจีนแห่งเมืองราชเกื้อเพราะฉะนั้นอ่ะก็เล็งทะเลขทีนน่หมอชีวกหมอชีวกก็ทำรู้มกันกแต่ทำทีเฉยรู้ไม่อยากจะไปแก่งแย่งกับพวกูกศิครูั้งหกเขาหอกเากลังเชียร์อาจารย์เขาแบบเก่ยงงี้เงยงนี้อยู่ไม่อยากไปก่แย่งเขาอกาพู้ก็เชียร์้ฝาใจก่อนเอพระเจ้าจ้าจะตรูว่าเห็นว่าเอเราพู หมอชีวกก็ม่เฉยละจึงเบื่อชีวกเออชีวกทําไมเองเฉยแล้ววะเองยังเห็นว่าข้าควรจะไปอ่สมณะกับสมาณะสำนักไหนทำไมไม่พูดขึ้นมาบ้างล่ะหมอชีวกกระบอกพระเจ้าค่ะข้าอยากไปทูลข้าข้าพระพุทธเจ้าข้าให้กราบทูลแล้วก็เห็นทั้งขุนทังเดียวคือพระผู้มีพระภาอรหันต์พรมาพระพุทธเจ้าซึ่งเวลานี้พระองค์กระทับที่สวนประมวงของข้าพระพุเจ้าแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าข้าสบู่ก็เตรียมยก หมอกองบริวาลมาตราบพระองค์ทรงขึ้นทรงช่างพระตินางชื่อพัฒนประดีเป็นนางข้างผังในช้างวระนางเสด็จออกมาเ้อขาขบวนกษษิจิยศพอมาถึงชายป่าชีวกำพะวันรู้จักหมอชีวกนี่ว่าป่าม่วงนี้มีพระอยู่ถึงหนึ่งพันกว่าลูกเอ๊มาถึงเสียงกระเอมไอ้ลึ้นก็ไม่มีคนต้องทันคนอยู่ในป่าไม่มีถึงแต่เไอ้มั่นก็ผิดทีละนึกแกแ้งฝรั่งไทยธรรมดาของคุณจะมีแผลใจกลัวว่าหมอชีวกจะคิดกบฏต่อเรามั้ง รัวเวลานี้เรากำลังมีศัตรูกับพวกเจ้าวัชีอยู่หมอชีวกจะรวงเราไม่ให้เจ้วัชีจับไปฆ่าหรือมั้งก็หันคตาพักมาที่หมอชีวกหมอชีวกนั่งอยู่ายพ่ภาพระเจ้าอาจารย์สตูประทักอยู่ที่หัวชาเป็นทรงเป็นผู้ที่ทรงชา่างข้อดีนางเองชีวกจําไม่ได้ลวงฆ่าออกมาให้พวกวัชีฆ่าหรือเปล่ยหมอชีวกพระเจ้าขาอยาได้ทรงกลัวไปเลยพระผู้มีพระภาคทรงโปรดเสียงน้อยทรงนิยมความเงียบสงดัดเพราะฉะนั้นพระเสาพระววพงองค์จึงเป็นผู้ที่ มีความขวดขันในเรื่องความเงียบในเรื่องมารายาความสงบอย่างยิ่งนั่นแน่พระเจ้าค่ะตอนก็ที่วอมแบมบอมยองอยู่ในถ้ำกลางนาสดทูลเชื่เสด็จไปคือเท้าโค้งสุดเจ้าค่ะพระเจ้าเสรอาชาติศัตรูก็ถอดพระอุณหิตออกนะแล้วก็พอดฉลองพระบาทแล้วก็เสด็จเดินเท่าเปล่าม้อยชีวก ต, ตามเสด็จเข้าไปมาถึงสันทาคานคือหอลงธรรม ในกลางชีวกรรมพวันโ อ, อ้โหเห็นเห็นพระอรหันต์ป่าพวกน um ั่งก <presidential S 1> <Schwe> uh ันนั Ik ่งพ um so ันกว่าร e ูปเต็มหมดไม่รู้ว่าองค์ไหนคือพระพุทธเจ้าเพราะไปเคยเห็นพระุทธเจ้ามาก่อนเลยเป็นประตูกับพระองค์ค่อยเทวพัทยุคแท้พระองค์ก็หันมาถามชีวะชีวะองค์ไหนคือพระผูมิพระภาคขอชีวะก็บอกนั่นแน่พระเจ้าค่ะองค์ที่พิงพิงพระปิตาดางไว้กับเสากลางศาลาหันก็พระพประตูทิดภูกรพาประทับอยู่ในถาำกลางสง่องคงนั่นแหละคือพระอรหันต์สมมาสมพุทธเจ้า พระเจ้าอาภายพัสตรูก็คลานขาเข้าไปเฝ้ามอกราบตะบบาทแล้วก็พูนบอกว่าขอให้อภัยพัสตุมาณของหม่อมชันจงมีความสนุกประนับเหมือนพิสุสูงบริษัทระบาดนี้เถิดพระเจ้าค่ะถ้าหารก็อภัยพัชตุมาณของหม่อมชันจะพึงเป็นผู้มีมารยาความสนุดเดียวกับพิสุสูงของพระองค์อย่างนี้แล้วจะเป็นความจเจริญจิตเจริญ ใ, ใจของข้าพระองค์เป็นแน่นมันพระเจ้าค่ะ พูดอย่างนี้อภัยพัฒนกุมารคือลูกชายคนโตเขาอ้เจ้กรัตรูเกิดในวันเดียวกับอ้พระมีสารตายทางนี้สั่งฆ่าพ่อทางนั่นมีออกลูกตัวถึงลู้ไหวจามรักนะเป็นพ่อของลูกอย่างไรเพราะนางกำนันมาสูงขาวาพระมหิศร์ปสูดโอรสแล้วแม่ดีใจและลูกชายคนแรกเกิดคามเป็นป้าซัพราะเกิดควมเนดาซังก็เฉลี่ยเจ้าไอ้เมือเราเกิดพ่อล้วคณจะรู้สึกอย่างเราด้วยกันวิ่งไปหาแม่นางวติกาพูดหาม่าแม่แม่ เมื่อเวลาฉันเกิดเนี่ยนะพ่อเขาัำกิริยายอย่างไรบ้างพนังดูดีกาแบอบกพ่อเขามีอากา ร, ยยยราอย่างนี้งี่เล่าให้ฟังนี่เล่าบอกว่าวันหนึ่งตออเมื่ออาชา ต, ต, ตาสกุลเววตรงเป็นลนูทนนออนกทาลูกหนึ่งนั่นแหละที่ท้าอ่ะหัวแม่ท้าน่ะบวมไปกระดูดตอไม้เขาบวมเป็นหนองอาชาตพระเจ้าพิมีสารอ่ะเอาฝอุดดูหนองจากหัวแม่ท้าของอาชาตสกุลแล้วก็บ้วนทิ้งดูสิความรักของพ่อมีต่อเจ้าอย่างนี้อ่ะอาชาตสกุลฟังแม่เล่าอย่างนี้แล้วอกจะพังไม่ให้ได้ ออกคำสั่งบว่าเ hey, ฮ้ยมาแลรีบไปสั่งไอ้ไอช่างผมไอ้ช่างประถมน่ยอย่าตัดอย่าผ่าเท้าพ่อคองขาเชนะอย่าย่างเท้าพ่อคูณแหวงขา่าเชนะสั่งไม่ทันแล้วบกวาพระมีสารลนพิษบาพแผลไม่ได้ซึ่งทีชมว่าที่คู่นี้เองแล้วเท่านี้แหละไอช้ชาติระตูถึงมีสันดีแล้วบอกว่ามันรกแล้วเราต้อง ต, องตองะโนรกแล้วเพราะฉะนั้นกรรมของไอ้ชาติระตูเป็นกรรมน่ะประการที่หนึน่งรวมกระทงวัชพลอยช้างนลาชรี หรือช่างสุบาลออกมาเพื่อจะประหารพระพุทธเจา้าจำที่สองทำไปตัวท่าเพราะฉะนั้นสองจำในหนาะอาชาติตรเที่ยงที่จะไปเกิดในอุทิแต่เขาว่าหลังจากที่มากลับใจหลังจากพระพุทธเจา้าแล้วพระพุทธเจา้าได้แสดงคำไม้ฟังแล้วอาชาติตรูก็ทูลขอขอมาบอกพระเจา้าค่ะหม่อมชั้นเป็นผู้เคาผู้หลงเห็นปานใดที่ใด เอ่อทำร้ายอันตรายต่อพระ อ, องค์แต่ทำร้ายต่อพระราชบิดาแม้ความเขา่าความหลงมันนี่เป็นความผิดของหม่อมชันขอพระ อ, องค์จงได้รับอาจจะยูโทษโดยกความมิโทษล่วงเกินที่ข้าพระ อ, องค์มีทำร่วมแล้วเกิดพระเจ้าค่ะพระปู่มีาพระพ่าเขาบอกว่าเอาเถอะมหาราชโทษอันใดพระ อ, องคได้ทำล่วมเกินไปแล้วเป็นอันวัตรถาโทษรับขมาโทษอันนั้นนะการที่ผู้ใดรู้สึกว่าตัวผิดแล้วก็มาขอขมาอย่างนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยอาจารย์สตูก็กลับไป พอสัตว์ไปแล้วผูริจาคกษัตริย์กับที่สูงทั้งหลายากษัตริย์องคนี้ได้ถึงความขิ้หายใหญ่แล้วทหารก็โธไม่ทาําไปตุค่าโหดาวปฏิผลจะพึงเกิดแกเธอณอาสนะนี้เองนี่ก็แปลว่าข้อเหตุที่ไปทําอนันตริยกรรมเข้าก็เป็นมัคคาวรแล้วก็เป็นสักคาวรด้วยแต่เทว่าหลังจากนั้นอีกตั้งสิ ก, กปีอาชาติตรูก็มันมันเพียนสร้างอุดมําบุญทําทานแม้กระทั่ง เมุกสตาสนาปราิมิพานแล้วยังเป็นผู้ที่ขุนขวายบูรณะวิหารสิบแปดแห่งรอบๆมูลราชคฤห์แล้วก็เป็นผู้ประทับทำผสมสังขายนาดูผู้สนอันนี้แหละเป็นเหตุให้ผ่อนกรรมของอ้ช่างศัตรูไม่ต้องไปตกในเอเวจีตกแค่โลหกบุมพีถ้าจะเปลียนก็เหมือนว่ามันต้องไปอยู่บางขวางอยู่แค่คุกกระูกเนี่ยเข้าคุกปุ น, นปตัดกับยูโรปุลตายแล้วคันห้าดับหมดใช่ไหมถ้าเช่นนั้นผู้ที่ไปเกิดเอาอะไรไปเกิด วิญญาณก็รวมอยู่ในขันห้านี่ด้วยอ่าปัญหาข้อนี้ท่านอย่าลืมสิครับว่าขันห้าก็เปสันติสตินี่ครับสติสตงที่วิญญาณนี่ยถูกแล้วเป็นวีนิววิญญาณในขันแต่เมื่อวิญญาณขันจะดับไปก่อนที่มันจะดับเน่ยมันได้ส่งพลังงานไปในขณะที่สองให้เกิดวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นเป็นพลังงานทำนองพ่อส่งให้ลูกลูกส่งให้หลานเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์สืบต่อกันเพราะฉะนั้นดวงเก่าดับก็ดับไปสิแต่ก่อนมันจะดับน่ะมันมันส่งอ่าขนขนของแรงงาน ไฟว่ายกระดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นไอ้ดวงใหม่เกิขึ้นเพาเอาสายดวงเก่าวเป็นปรัฐฐานเนี่ยคล้ายๆไฟปิ้งไฟแล้วจุดเทียนมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วอีกคนหนึ่งเอาเทียนอีกเล่มหนึ่งมาต่อไฟจากเทียนทีน่เราไฟเป็ น, เ ป, นเป็นไฟคนละเล่มแต่ไอ้ไฟเล่มใหม่มก็มาจากไฟเล่มเกา่าเป็นเชื้อชั้นใดวิญย า, านคารดวงเก่าที่ดับไปก็เป็นเชื้อให้เกิดวิญย า, านคารในพบใหม่เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็ไปเรื่องขสถิตินะครับตอนนี้สถิติ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตลอดไปจนถึงวิญญาณก็เมื่อคนมีกิเลสตายไปแล้วเอาอะไรไปเกิดไอ้คําว่าไม่มีตัวตนในที่เนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์เปล่านะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะครับคําว่าไม่มีตัวตนในที่นี้น่ะพระพุทธเจ้าไม่ใช้คําว่านัตถิกะาคานัตถิกาเป็นคําปฏิเสธเด็ดขาดเพาว่าเหมือนถุ่นากาศนี่ไม่มีอะไรเวิ้งเวงวงไม่ใช่อย่างนั้นอนัตตาน่ะแปลแต่เพียงว่าไม่มีอัตตาที่เที่ยงแท้นั้นเอง อัตตามีอยู่แต่ไอ้ความไม่อยู่ก็ อ, อัตตานี่ยไม่ใช่อัตตาี่แท้จริงเข้าใจไหมครับไม่ใช่อัตตาสิแท้จริงคล้ายๆฟองน้ำฟองน้า ม, มีไหมฟองน้า ม, มีอยู่แต่ว่าฟองน้ำนั้ น, น ม, มีอยู่แต่เรือก็ ด, ดับใช่ไหมไม่เที่ยงมีอยู่ยังไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าอัตตาไม่ใช้คำว่านัตทิตาไม่ไม่ใช้คํานี้ไม่ได้ปฏิเสธวา่าไม่มีอะไรเลยเปล่าๆลูกหูลูกงวงเป็นสุญญากาศไม่ใช่ ให้คำอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตาตาสภาวะการทำอ น, นันอตตาแปลว่ายืนหยัดคงที่เป็นหนึ่งแต่อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ยืนหยัดไม่คงที่และไม่เป็นหนึ่งแต่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ยังไม่คงที่มีอยู่ยังไม่เที่ยงมีอยู่อยังเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนะ่ะเป็นภาวะมีอยู่มีอยู่จึงเป็นอนัตตาต่างกับต่างกับนักติการับคอนนี้ พระพุทธเจา้ามีให้เรายินดีในรูปถึง โ, ธธโทษสภาโทษสัพพธรรมเอเชนัยจึ ง, จงกลับให้ท่านในปรมัตมมีรูปเสียงโทษสัพพธรรมจะไม่ผิดกับคําว่ามิให้ยินดีในรูปเสียงเป็นต้นหรื อ, อข้อนี้ทา่านเข้าใจผิดครับข้อนี้คือว่าในปรมาตมที่กลับถึงเรื่องรูปรถกลิ่นเสียงน่ะเป็นวิธีการแสดงธรรมที่จะให้เราเห็นโทษของรูปรถกลิ่นเสียงเหมือนกับหมอหมอหรือวิชาแพทย์เนี่ย ต้องรู้สมุตฐานของโรคต้องจะรายชื่อโรคออกมาเหม่งนกันจะไปรู้จะรักษาจ ไ, ได้ไงไอ้โรคนี้นะกอ้ อ, อยผอกนะันี่มะเรนะ็งนี่ไอ้วานะหมอต้องเรียนรู้ชื่อโรคดิและการที่หมอเรียนรู้ชื่อโรคจะรว่าหมอยินดีในโรคได้ยังไงละ่ะไม่ได้เรียนรู้ชื่อโรคแต่ก็เพื่อที่จะไปหาทางบรัดโรคชั้นใดที่ ต, ตรัตึกรู้ว่ากิ่นเสียงผู้สภาก้อนชั้นนั้นต้องเรียนรู้ไอ้สภาวะความจริงอันนี้เป็นทุกข์ระตัดนี่ของพวกเนี้ทุกข์กระตัดจะต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ทุก ลูกวัดกินเสียงไม่ใช่สมุทัยนะครับไ ม, ม, ม่ใช่ปัญหามันจะสมุทาย ศ, ายาศาเป็นทุกข์กัติทุกข์กัตรย์ต้องกําหนดรู้เหมือนหมอเรียนรู้ชื่อลูกต่างๆเรียนรู้สภาวะของลูกต่งางๆการที่หมอเรียนรู้สภาวะของลูกต่างๆไม่ได้หมายความว่าหมอ ย, ยินดีในโลกเหล่านั้นตรงกันข้ามเลยคืออยหาทางทําลายลูกมากกว่าทิกาทิศทิที่มีความหมายว่าไม่มีนี้คําสอนในข้อนี้แสดงว่าเป็นการปฏิเสธถัดเหตุปัจจัย ทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับใช่ปฏิเสธเหตุปัจจัยปฏิเสธบุญกรรมใช่เช่นทั้งที่มีความเห็นว่าไม่ทีอย่างทั้งที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์และก็ปฏิเสธเหตุอื่นๆอีกถึงที่มีเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นสังกตธรรมและอสังกัตธรรมก็คือเอาว่าไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ถูกแล้วไม่มีนิพพานไม่มีบุญคุณวิดามารดาคุณพเมนะรามเป็นนติกาทิธีใช่อรัอีกข้อนึงท่านถามบอกว่า ตอนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาสู่เมืองไทยคนไทยเรานับถือศาสนาอะไรมาก่อนและผู้ที่เข้ามาเผยแพร่นั้นเผยแพร่ด้วยวิธีไหนคนไทยเราจึงยอมรับนับถืออย่างไม่เสื่อมคลายอข้ อ, อนี้นะ่ะคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยหรือเด็ดจ้ำโอ้โหมากมายนี่ครับพอแล้วนะปัญหาจะตอบไม่หมดนะครับอ่าคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองไทยคนไทย พ่อกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่นับถือพุทธศาสนานั้นคือกษัตริย์แห่งอาณาจักรไอ้ลาวราวพศอ .607 อเศษลวลาวพศชื่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมากษัตริย์แห่งอาณาจักรไอ้ลาวราวพศอ .607 อเศษเวลานั้นไทยยังอยู่ในยุนนานของจีนอยู่เพราะนั้นชนชาติไทยจึงเป็นชนชาติที่นับถือพุทธศาสนามากว่าพันปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยพระเจ้าไอ้ราวที่ขุนหลวงเมามึงมาอยู่เมืองไทยถ้าก่อนถ้าถามทังก่อนหน้าพอครับพอฮะถ้าถามทั้ก่อนหน้าความจริงไอ้การถามมัญห า, หาหนี่นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ถามมาถามเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากดีกว่าที่เป็นมัญหาถามจะเป็นประโยชน์มากครับอ่าเป็นการอัดในการอธิบายไปในตัวเพราะว่าเราจะเป็นนักเผยแผ่ต่อไปเราต้องกล้าไมาโครโฟนต้องหัดกล้าอธิบายโต่อเนี่ย ไปเป็นการฝึกไปในตัวเลยจะเป็นประโยชน์ก่อนหน้าคนนุณคณะบถือพุทธามาคุณใน น, ณนับถือศาสนาอะไหลนับถือศาสนาผีปา่าผีปา่าผีเขาผู้เทวานิยมถามบอกว่าเมื่อคนไทยเมื่อคนตายใหม่ๆบุดหลานไม่กราบไหว้ศพและขอให้ดวงวิญญาณ น, นั้นจงไปสู่สุคติหรือไปสู่ที่ชอบเช่นนี้ดวงวิญญาณของศพนั้นจะไปตามที่ขอได้หรือไม่ไม่ได้เด็ดขาด ไม่ได้ไอา้จาก่ไปหรือไม่ไปไปทีกรรมของคนตายเองมาถึงอยู่ที่ปากลมปากของลูกหลานจะไปบอกว่าแต่ไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยถ้าไอ้แกคนนั้นมันทําชั่วตกโกมันก็ตกโลกจกเปรตแต่อ่อนวอนเปปากหาใครไปที่ชอบมันก็ไม่ไปไม่ได้แน่ครับคราวนี้แล้วแต่กรรมฆ่าตัดตัดชีวิตมีไก่เป็ดหมูปลาเป็นต้นผิดศีลที่ว่าทำปานาติบาสเมื่อเราไม่ฆ่าแล้วทําอย่างไรเราจรึงจะได้ละได้สัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหารเ่าเราก็ไม่ต้องกินเลยสิ กินแกมังสวิรัตอย่างพวกแขกกินดูกินแต่ถัว่วกินแต่น้ามันผัวกินกินแต่นมเขาก็ล่าสันอุ่นท้องคุยทุกคนนี่ถึงแก่ดูแขกสิท้องฟุ้ยแล้วนะ่ะผู้หญิงแขกยิ่งท้องคุ้ยอุ่นอ้วนอ้ว น, นไม่เชื่อไปดูแขกพระอรุณสะพานหานซ้าเพลงเลยแขกพระรคนอ้วนอ้ว น, นแขกหอมหาทำยายาแขกหอมถ้าจะมีก็มีในะอินเดียวเวลานี้กำลังอดอยากกันอยู่นะเห็นจะตอนนี้เห็จะมีแขกหอมหรอกเพราะปะกตินนะ่ะแขกกินถัว่วกินถั่วนี่แม้มีโปรตีนสูง กินน้นมกินเนยโปรตีนุูงนั่นแหละเลยลงทุนอ้วนเสียทรงเสียรูปใหญ่เพราะฉนั้นอยากตัวเลยถ้าหากว่าเลืกข้าวสาระกูจะไม่มีอาหารกินนี่อาหารผักนี่แหละดีที่สุดเดีย๋ยวกนนะครัอนนี้ อ, อ่าเดี๋ยวขอขัดจังหวะอาจารย์สัหน่อยคือปัญหาเนี่ยอาตมาของสายมานานเนี่ยครับ<ำ>คื อ, อในฐานะที่อาตมาจะต้องออกไปทําการเผยแพร่ศาสนาเนี่ย สมมติว่าถ้าไปมี น, นักเผยแพร่ศาสนาเขาถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือในพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมปร ะ, รประ ส, สงค์นี่เขาบอกว่าจะมีหลักฐานอะไรที่ท่านเชื่อว่าพุทธเจ้าท่านมีจริงเนี่ยโอ้หลักฐาน อ, อะไรที่ทานพุทธเจ้ามีจริงเลยครับแล้วก่อนเอ่ยย้อนถามเขาว่าแล้วแกมีหลักฐานอะไรที่เระเจ้าองแกมีจรงิงพระเจ้าอุษาของแกน่ะเชิญมาให้อภินิหารให้ดูต่อหน้าได้มั้ยถ้าเชิพระยาฮวาลงมาดูต่อหน้าได้ฉันจะเปลี่ยนต่อศาสนาให้ เราถามก็แกมีหลักฐานหลายขคือไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเราเขาไม่เขาไม่ให้เราถามแบบนั้นเขาถามชนิดที่เรียกว่าให้เราตอบว่าให้เราเป็นผ<า>ู้ตอบให้เราเป็นผู้ตอบเราตอบว่าที่เรารู่พระพุทธเจ้ามีจรงิงเขาธรรมะเขาพระอ ง, งค์กลากสดอยู่เช่นพระไตรปดกตอนนี้ถ้าหาว่าเขาจะถามต่อไปอีกด้วยว่าธรรมะนั้นนะคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าจะแต่งไม่ได้หแต่งได้คนที่แต่งธรรมะชนิดนี้ได้คนนั้นคือพระพุทธเจ้าแล้ว คือตาหาว่าคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่งธรรมะไม่ได้ใช่ไหมเราบอกว่าแต่งได้ไงครับแล้วคนที่แต่งธรรมะอย่างนี้คนนั้นคือพระพุทธเจ้านอกจากพระโคตมะเขาเป็นพุทธเจ้ารรอีกองค์นึงขึ้นมามปเป็นผู้แต<ล>่งล่างคนนั้นคือพระองค์ใหม่เอา ง, งั้นก็หมายถึงว่ายังอาจารย์จะเขียนเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยองค์นึงอ๋อไม่ได้สิครับถ้าผมจะแต่งธรรมะได้เนี่ยผมต้องลอกพูดง่ายๆว่าลอกน้ําลายของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้แต่งองค์แรกน่ยมาเขียนนี่ผมไม่มีปัญญาสิเป็นจากอริยสัจขึ้นได้หรือ ที่รลูกอริยสัพนสัตยสามารถเป็นมระนามะหนึ่งตูนน่ะจำน้ำลายสมาขีนนะเราเห่นไหมครับรลอให้มันมาจะหักเราเขาบอกว่าคนคนนั้นเาบอกไปแค่พุทธจางอย่เพระโคตมะต้องเป็นคนขีนเราบอกถูกแล้วสิคนคนที่อย่งนี้แหละคนนั้นแหละเราเรียกว่าพุทธะละเพราะพุทธะเท่านั้นคือจะขีนอย่างนี้ได้จะเป็นโคตมะหรือไม่โคตมะก็แล้วแต่คนนั้นจีแต่งธรรมะอย่างนี้ได้คนนั้นคือพุทธะศาสนาไหนเป็นศาสนาพุทธะ คือธรรมะทั้งหมดนี่เป็นเป็นธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดใช่ครัแต่สําหรับผู้ที่นํามาเผยแพร่นี่เพียงแต่ขยายพิสดารออกไปนี่ไม่ใช่ว่าพุทธะเหมือนกันใช่ครับเราไม่ได้เราไม่ไมีปัญญานคนท่านหลังนี่ยไม่เห็นมีใครปัญญาเ ข, ขียนหรืออริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทหรืออภิธรรมออกมาได้เลยจําขี้ปากพระพุทธเจ้ามาทั้งนั้นแหละท่าจะว่าไปแล้วเอามาจำมาขยายเท่านั้นแหละ ใช่ไหมฮะใช่ไหมคนที่เป็นผู้ต้นกำเนิดธรรมะเนี่ยเป็นใครล่ะระยะถานเขาเป็นใครเขาบอกก็คนนะพิ่พ์เฉลยพระครูธรรมะแล้เอาใจจะเป็นโค ร, รูมะน่ะพุทเราถือว่าเป็นเพียงสมนุษษม่นบัญญัติไม่สาคัญหรอกแต่คนที่สามารถเขียนธรรมะอย่างนี้น่ยคนนั้นน่ะพวกเราถือว่าคนนั้นแหละคือพุทธะและขันยลีเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็น <ừ. S 1> ปฏิเสธประมใ ช, ช่ญพระครูธมะประช่างเถอะแต่ฉันว่าใครเขียนธรรมะอย่างนี้ได้คนคนนั้นคือพุทธะที่ฉันเคารพกล่าบว่ายก็แล้วกันก็ได้ความเพียงเท่านี้เองกล่าวว่าครูที่เป็นหลักฐานว่าพุธเจ้ามีจริง ถือนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะแต่งธรรมะได้แต่บรรูุมีอยู่เพราะมีอยู่เพราะนี่จันทศรีทำบุรพคดีศีลาจารึกขุดขึ้นมาเออพระบรมสรีริกธาตุที่ขุดขึ้นมาจากโคตรศักยะวงฝังเอาไว้ที่เหมือนกับบิระพัดเวลานี้อยู่ที่ภูเขาทองส่วนนันบันพจน์ดีเลยครับถ้าจะมีพระธาตที่แค้จริงนะไม่ใช่พระธาตุชินพระธาตุกรวดอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของชาวบ้านนะ เพราะธาตุที่แท้จริงที่เรากราบไหวยังสนิทใจจริงๆแล้วก็นในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอื่นใดที่ไหนเลยจงไปภูเขาทองทีเดียวบุญนั่นแหละบรมธาตุสูนนั่นรัฐบาลอินเดียขุดได้ที่แขวงป่าในเมืองกระบิ่ลพัดแล้วก็ขุดพบในสัตวโบราณฝังอยู่ในตลับหลายชั้งตลับทั้งสุดท้ายจารึกเป็นอักษรบาลีรุ่นเก่าที่สุดรุ่นขั้งพุทธกาลจารึก บอกว่าสิริราชส่วนนี้เป็นของพระสกยะผุ้นี้อันผู้สกยะวงเป็นผู้ปฏิสฐานไว้คือว่าสกยะวงฝ่ายปีดพลิวันน่ะปีพลิวันซึ่งเป็นชื่อวงสกยะวงผูกหนึ่งอะ่ะเป็นผู้ได้รับส่วนใหญ่จากโคนณพระามแล้วก็เอาไปสร้างสถูกบูชาสถูกนี้ฝังดินฝังตายเป็นระยะ ก, กว่าสองพันปีเพิ่งมาขุดพบเมื่อตอนนุนรัชการที่ห่านรัฐบาลอินเดียมีหลอดคือสันเป็นหัวหน้าเป็นไวตรอยดีใจ ที่แรกว่าต้องการจะเอาไว้เข้าพิธิพัณฑ์แต่ตอนหลังมีพระไทยองค์หนึ่งชื่อว่าชินะบวรวงศ์ไม่ใช่อื่นการภระไทยองค์นี้คือพระองค์เจ้าพิสดารพรงเจ้าพิสดารท่านเป็นอัครทูดป ร, รุงสยามประจะรําราชสำนักอยู่ตั้งสิบกว่าประเทศน่ะแหมเวลานั้นเฟี้ยวที่สุดเลยท่านจะว่าไปแล้วเป็นนักเรียนอน อ, อกรุ่นแรกที่สุดพระองค์พิสดารเนี่ยเป็นผู้ไทยประจำประจํำสานักเซนเกม จาคนนักต่างๆมากมายที่ลัางขันเบือ่อขัดขัดใจกรรมจการมนินห่าหรเรื่องอะไรก็ไม่รู้บวชบวูรีร่างกายบวชบนไทยบวชร่างกาและเอาเครื่องอิสเรียลสายสายสร้างพระจดีบูชาบรรจุในพระจีดีหมดที่วัววดทีบุตรมารามในเมืองโกรัโบและตัวท่านก็เดินฮูดงฮูดงไปอินเดียไปเพื่ขุดทบพระรูปพระธาตุส่วนนี้พระชีนาวรวงก็เสนอไว้ตรออินเดียบอกว่าควรจะทูลกล้าให้พระเจ้ากรุงสยามเพราะเป็น พระเจาแผนดินประเทศเอกราชประเทศเดียวที่นับถือพุทธศาสนาในเวลานั้นทางอินเดียก็ให้ทูดมีหนังสือมากราบงคมทูนรัชกาลที่ห้าได้ส่งพญ า, าสุขุมซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพยายมราชมหาปั้นเดินทางเป็นผู้แต่แทนต่างพระองค์ไปอัญเชิญพระบรมธาสส่วนนี้มาประเทศไทยระหว่างที่มาในเมืองน่ะพยาพญ า, าสขุม ไม่เคยเชื่อเอพระทาดุแทหรือเปล่าก็าไม่รู้แฮะที่เราเชิญมามันฝายในพระเจดียด์กาไหลทองน่ะกําลังลึกสงสายอย่างนี้เชียวนะอยู่ในห้องเคบินในเรือเนี่ยท่านในนั้นพระาธาคุขมนี้สมแดงอภิดีหารเป็นฉับพลังสีแฉะสว่างทั่วห้องเลยพญาสุขุมนั่งอยู่บนเตียงเวลากลางวานันตกตะลึงงานไปหมดเวลานั้นน่ะทนายหน้าหอของพญาสุขุมเป็นขุนกําลังจะเข้ามาด้วยธุรกิจกับพญาสุขุมโดนประตูห้องเคบินโผล่เข้ามา เลยยืนอาปากข้างมองพระบรมชาติแสดงพระทหารอ่าปากข้างนั่งสองคนเลยเชื่อร้อยเเซ็นแล้วพระบรมสารคุปตเจ้าแน่แล้วส่วนนี้เข้ามาถึงเมืองไทยตั้งไว้ว่าพระแก้วให้ประชาชนบูชาสามวันแล้วก็เวลานั้นชาพุทธนานาชาติลูข่าวส่งผู้แทนมาขอส่วนแบนส่วนแ บ, นแบน่งจากราชการนิหารคณะสงฆ์ธรร า, าะคณะสงฆ์ลังกาคณะสงฆ์ยี่ปุนเดินทางมากันเป็นการใหญ่ทีเดียวและจากนิหารก็แบ่งให้แต่ถังเหลือแล้วถึงไปบรรจุไว้บนยอดภูเขาทอง วันวันพุเดี๋ยวนี้เพราะนั้นโดยหลักฐานโบราณคดีเราก็มีกระดูกพุทธเจ้าเป็นพยานประทานที่นักโบราณคดียอมรับทุกประการโดยหลักฐานทางฟากประวัติศาสตร์มีเมืองกัมเลพัทเออร์กัลลาเจคเชยตวนารามโคสิตารามอ่ากุพารามที่นักสบายอินเดียขุดพบคนพบฟากอะเป็นมากมายรวมทั้งกติคันธกุดีที่อยู่พุทธเจ้ายังพบเลยที่อินเดียเดี๋ยวคุวันนี้เป็นหลักฐานอยู่นี่โบราณคดีทางการประวัติศาสตร์นี ask, ่ หลักศิล aja ลึกจารึกพก็จ้าจอาสูเ่เคยจารึกกระสับอินเดียสมัยโบราณต่างๆเออที่กล่าวถึงพนะุทธเจ้าน่ยมีพอจารึกของพวกาศาสนาอื่นในาศาสนาพราหมณ์ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมายกย่องพุทธเจาา้าไม่คัมพี์ในาศาสนาพามก็กล่าวถึงพพุทธเจ้าว่ า, าพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงต่อสู้กับขี้พราหมณ์มายัางไรพวกพราหมณ์ได้ต่อสู้พุทธเจ้ า, ามาอย่างไงไปมีข้อความระบุในาศาสนาซึ่งไม่ใช่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาพราหมณ์ระบุไว้นอกจากศาสนาพราหมณ์แล้วศาสนาเชยยังระบุพพุทธเจ้าอีก เขเป็นศาสนาที่เกิดร่วมยุคพุทธสมัยเด็กล่าวถึงพระสมนาโคดมอย่างนั้นอย่างนั้นอยาสอนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มีไว้ในศาสนาอื่นๆนานับประการหลักฐานมีน้ำตาไม้จุดพามไม้เอกของพวกกรีกที่เดินทางมาตีอินเดียสมัยอาริสตันโดยมหาราชก็ได้บันทึกถึงภาวะการของพุทธศาสนาในอินเดียนี่พวกกรีกไม่จำเปต้องมานักสืบพุธอะเขาเป็นฝรั่งมังค่าเขายังพูดถึงพุทธศาสนานี่เพราะฉะนั้นประมวลหลักฐานต่างๆทั้งบูราณคดีประวัติศาสตร์หลักธรรมะ สแสดงให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้ า, จามีจริงมีชีวิตยอยู่ในโลกจริงแล้วหลักฐานงแกล่ะยาฮูวาอยู่ที่ไหนเชิญมาให้ดูได้ไมานอกจากไม่คำพิธีที่แกบอกเป็นผู้สร้างโลกโลกนี้คือผลจากยาฮูวาแล้วแล้วอยู่ที่ไหนพระยาฮวาเชิญมามีหลักฐานอะไรบ้างเชิญมาสิมียังไงแล้ยจะมาถามเขาบ้า ง, าบบางสงสัยไหมครับข้อ น, นี้ยังมีอะไรติดใจไหมครับพระขุนเจ้าองค์นั่ะมีอะไรติดใจไหมครับอ่าท่านข้าขันชายถามมาว่าพระกูราณะเป็นอรหันต์หรือเปล่า การเผาหรือฝังศพที่ไม่ต้องมีหรืออาศัยพธิธีการทางศาสนาเลยมีอยู่ในชนชาติไหนบ้างหรือไม่มีอ่าพระธูรณนะเป็นอาราธนาหรือเปล่านะ่นไม่มีที่มาที่ไปครับทั้งในบาหลีทั้งในอัฟกานิสถานอีสากฏการการฝังเผาไม่มีพิธีกรรมศาสนาเลยนะมีอยู่พวกคนป่าคนป่าในแอฟริกาคนป่าในอเมริกาใต้พอตายปุ๊บก็โยนทิ้งไปเลยหรือฝังไปเลย วางไปลอยในแม่น้ำคงคาให้แม่น้ำคงคาล้างบาปให้ส่วนฝังศพนะ่ะศาสนาคริสต์อิสลามถือว่าถ้าไม่ฝังแล้วจะดับพระเจ้าจะให้เทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าตาเบียนมาเป่าแตรปลุกดวงวิญญาณของชาวคริสชาวอิสลามถอดจากหลุฝังศพแล้วเข้าคิวเรียงแถวไปฟาพระเจ้าที่หน้าแผ่นบันลังพระเจ้าจะตัดสินความผิดคานชอบใครพักนี้ในพระเจ้าห้อยให้ขึ้นสวรรค์ ใครไม่พักดีก็ลงนรกไปเพราะฉะนั้นต้องรักษาศพเอาไว้ด้วการฝังเผาไม่ได้เผาแล้อีกหน่อยเจ้าของเดิมวิญญาณเข้าร่างไม่ถูกไปหาพระเจ้าไม่พบว่างั้นต้องจึงต้องฝังอถ้าหากว่าเราจะพิจารณาตึ้เหตุผลกันอย่างเป็นกลางๆแล้วการเผากับการฝังศพพิธีไหนดีที่สุดเผาดีที่สุดไม่เปลืองที่เวลานี้ที่ทางก็แพงหายากถ้าคนยังไม่ครอยจะอยู่เลยเอาผีมาอยู่เนี่ยแย่จริงเพราะฉะนั้นน่ะ เวลานี้ในยุโรปเองก็เริ่มเริ่มใชวิธีเผาแล้วคือตเตียนที่ไม่เคร่งที่ไม่เคร่งนะเขานิยมเผาแล้วเขาว่าดีกว่าไปฟังอีกแล้วก็ศาสนายิวเขาก็านิยมฝังเหมือนกันโรมันคาทอลิกเขาก็ฝังเวลานี้พวก ว, ว้วหั ว, วขมองสายในอิตาลีเข้าใจคือว่าอิตาลีน่ะเนื้อที่ฝังศพมันลนแล้วมีทางเดียวฝังศพใส่ตึกสร้างตึกละฟาแล้วเอาุกฝังเป็นล็อกๆๆอกล็เลาต่อไป ถูกฝากลายเป็นถูกฝานตึกตึกกันยี่ ส, สิบชั้นเอาหายตายก็มาบรรจุเข้าตึกเป็นชั้นๆฝังไปบนอ า, ากาศดีดีดย่างงี้ดีไม่เปลืองที่แบบนี้ฝังในฝังในอ า, า, ากาศสร้างตึกสูงสูงเอาศพบรรจุเปิดขึ้นไปไม่เปลืองที่ในสมัยกลอนปรินิพาน